หิมะกลางฤดูร้อนนับเป็นสารแห่งสันติสุขและกุญแจไขไปสู่ความตื่นรู้ทำกลางความยุ่งเหยิงของสังคมไทยที่มาได้ตรงเวลาดีแท้เชื่อมันเหลือเกินว่าใครที่ได้ศึกษาผลงานของพระวิปัสสนาาจารย์ชาวพมา่าท่านนี้จะได้พบคำตอบดีๆมากมายในชีวิตนี้อย่างแน่นอนเพราะเพียงไม่กี่ข้อความเบื้องต้นเช่นผู้ที่จะามายอยากรู้จักมากที่สุดก็คือตนเอง หรือคุณตามดูจิตอย่างจดจ่อจนถึงจุดที่ความคิดหยุดลงได้หรื อ, อยังก็ทำให้เรารู้สึกอยากย้อนมองกลับเข้าไปด้านในของตัวเองแทบจะในทันทีผู้เขียนอ่านต้นฉบับหิมะกลางฤดูร้อนด้วยความรื่นรมและเปี่ยมสุขจึงหวังว่าผู้อ่านทุกท่านก็คงจะรู้สึกไม่ต่างไปจากผู้เขียนด้วยเช่นเดียวกัน